ความเข้าใจผิดในนิมิต ท, ที่ปรากฏอาจทำให้เกิดลักษณะ ส, สภาพผีสิงหรือสำคัญผิดจนกลายเป็นคนเข้าทรงเข้าใจว่าอำนาจผู้วิเศษมาดนบรันรดาลให้เกิดความสามารถพิเศษทั้งที่ทุกอย่างเกิดจากการปรุงแต่งหรือจากพลังแห่งความสงบของจิตเราเองสำหรับคนที่ปฏิบัติถูกทาง